ไม้แคะขี้หูสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีขี้หูจุกช่องหูทั้งสองข้างภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ไม้แคะขี้หูสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวพาคัคคีใช้ไม้แคะขี้หูชนิดต่างๆคือทําด้วยทองทําด้วยเงิน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 ทำด้วยไม้อ้อทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยไม้ธรรมดาทำ ด, ทำด้วยเครื่องทำด้วยเมล็ดผลไม้ทำด้วยโลหะทำด้วยกระดองสังเรื่องพระชาพัขีสะสมโลหะและทองสำริดสมัยนั้นพวกพิสุชาพัขีสะสมโลหะทองสมำริ์ไว้เป็นจํานวนมากคนทั้งหลายไปเที่ยวชมวิหารพบเห็นจึงตําหนิประนามโพลธนาว่า ช่นไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสกยะปุตจึงสะสมโลหะทองสำริ์ไว้เป็นจำนวนมากเหมือนพ่อค้าขายเครื่องทองสำริเหล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสะสมโลหะทองสำริ์ไวเป็นจานวนมากรูปใดสะสมต้องอาบัตุ ก, กฎเรื่องกล่องยาตา สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายรังเกยียจกล่องยาตาบ้างไม้ป้ายยาตาบ้างไม้แคคขี้หูบ้างของที่ใช้หอบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต ก, กล่องยาตาไม้ป้ายยาตาไม้แคคขี้หูของที่ใช้หอเรื่องผ้ารัดเข่า สมัยนั้นผู้พิสุชาภัีนั่งใช้สังฆาติรัฐเขา่าแผ่นสังฆาติหลุดภิสษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิกษุทั้งหลายภิสษุไม่พึงนั่งรักเข่าด้วยสังฆาติรูปใดนั่งรัฐต้องอาบัตทุกกดสมัยนั้นภิสษุรูปหนึ่งเป็นไข้ท่านขาดผ้ารักเขา่าย่อมไม่มีความผาสุก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 ที่แผลได้ฟิล์มได้พันไม้สลักทอเครื่องหูกทุกอย่างเรื่องประคตเอวสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้ฆ่าประคตเอวเข้าไปบิณฑบาตอันตรวาสกสสบงของท่านหลุดที่ถนนคนทั้งหลายเห็นแล้วพากันโห่ร้องภิกษุนั้นเขินอายครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดจึงบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบ ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ได้ฆาดประคดเอวไม่เพืองเข้าหมู่บ้านรูปใดเข้าต้องอามบัตทุกกดภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตประคดเอวสมัยนั้นผู้ภิกษุชาภพัคีใช้ประคดเอวชนิดต่างๆคือประคดถักเชือกถักเป็นหัวงูน้ํา ลมคล้ายเกลียวเชือกคล้ายสังวานคนทั้งหลายตําหนิประนามโพนทนาว่าเหมือนครหัสผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ประคดเอวชนิดต่างๆคือประคดถักเชือกถักเป็นหัวงูน้ำลมคล้ายเกลียวเชือกคล้ายสังวาน รูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตประคดเอวสองชนิดคือประคดแผ่นผ้าประโคดไส้สุกรชายประคดเอลลุยพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถักคล้ายเกลียวเชือกหรือคล้ายสังวานปลายประโคดเอลลุยพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เย็บทบเข้ามาแล้วถักเป็นห่วงปลายห่วงพระโคดเอวลุยพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตลูกทวินเรื่องพระชาพาคีใช่ลูกทวินสมัยนั้นผู้ภิกษุชาพาคีใช้ลูกทวินชนิดต่างๆทำด้วยทองทำด้วยเงินคนทั้งหลายตําหิประนามโพนนาว่าเหมือนครหัตผู้บริโภคาม ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้เป็นกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ลูกทวินชนิดต่างๆรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตลูกทวินทำด้วยกระดูกทำด้วยงาทำด้วยเขาสัตว์ทำด้วยไม้อ้อทาด้วยไม้ไผ่ละถึงทาด้วยกระดองสังทำด้วยเส้นได้ เรื่องลูกดุมสมัยนั้นท่านพระอนนท์หุ่มสังฆาติเนื้อบางเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านสังฆาติถูกลมบ้าหมูพัดเวกขึ้นครั้นท่านพระอานนท์กลับไปถึงอารามจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตลูกดุมแรงดุมสมัยนั้น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 เราอนุญาตลูกดุมทําด้วยกระดูกทํำด้วยงาทําด้วยเขาสัตว์ทําด้วยไม้อ้อทําด้วยไม้ไผ่ทําด้วยไม้จริงทําด้วยยางไม้ทําด้วยผลไม้ทําด้วยโลหะทําด้วยกระดองสังทําด้วยเส้นได้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเย็บติดลูกดุมบ้างรังดุมบ้างที่จีวรจีวอขาดภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผูะ้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตแผ่นผ้ารองลูกดุมผ้ารองรังดุมภิกษุทั้งหลายเย็บแผ่นผ้ารองลูกดุมผ้ารองรังดุมที่ชายจีวรมุมผ้าเปิดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้เปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ติดแผ่นผ้ารองลูกดุม ผ้ารองรังดุมที่ชายผ้าลึกเข้าไปเจ็งค์องคุลีเรื่องการนุ่งห่มอย่างครหัตสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวพาคีนุ่งผ้าอย่างครหัตคือนุ่งปล่อยชายเหมือนงวงช้างเหมือนหางปลาปล่อยชายสีแฉก ป, ปล่อยชายคล้ายต้นตานยุกกลีบตั้งร้อยคนทั้งหลายตาหนิประนามโพรธนาว่าทำเหมือนครหัตผู้บริภโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงนุ่งผ้าอย่างครหัตเคอนุ่งปล่อยชายเหมือนงวงช้างเหมือนหางปลาปล่อยชายสี่แฉกปล่อยชายคล้ายต้นตาลยกกรีบตั้งร้อยรูปใดนุ่งต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวพัคีห่มผ้าอย่างครหัต คนทั้งหลายตําหนิประนามโพรธนาว่าทําเหมือนครหัดผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงห่มผ้าอย่างครหัดรูปใดห่มต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นพวกภิกษุชาวพาคีนุ่งผ้าจงกระเบนคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลทนาว่า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 5. เบื่ออาหารภิกษุทั้งหลายการไม่เคี้ยวไม้จำระฟันมีโทษหประการนี้แหละภิกษุทั้งหลายการเคี้ยวไม้จำระฟันมีประโยชน์5ประการคือ 1. ตาสว่าง 2. ปากไม่มีกลิ่มเมนเหม็น 3. ประสาทลิ้นรับรสได้ดี 4. น้ำดีและเสมหะไม่หุ้มห่ออาหาร 5. เจริญอาหารภิกษุทั้งหลาย การเคียวไม้ชาระฟันมีประโยชน์5ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้ชาระฟันสมัยนั้นผู้พิกษุชาพคีเคี้ยวไม้ชาระฟันขนาดยาวใช้ไม้เหล่านั้นแหละตีสามเณรพิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเคี้ยวไม้ชารฟันขนาดยาว รูปใดเคี้ยวต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้ชมระฟันยาวแปดนิ้วเป็นอย่างมากและภิกษุไม่พึงใช้ไม้ชมระฟันนั้นตีสามเณรรูปใดตีต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเคียวไม้ชมระฟันสั้นเกินไปจึงหลุดเข้าไปติดในลำคอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเคี้ยวไม้ชมระฟันสั้นเกินไปรูปใดเคี้ยวต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้ชมระฟันสั้นสี่องคุลีเป็นอย่างตำ่ำเรื่องพระชจ้พัีจุดไฟเผาคลองญย่สมัยนั้นผู้พิกษุนชพาพักีจุดไฟเผาคลองแยกคนทั้งหลายตําหนิประนามโพนธนาว่า เหมือนคนเผาป่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงจุดไฟเผากองหญ้ารูปใดจุดเผาต้องอาบัตดทุกกฎสมัยนั้นหญ้าขึ้นรกวิหารเมื่อไฟป่าไม่ลามมาถึงวิหารจึงถูกไฟไหม้ภิกษุยำเกรงอยู่ที่จะจุดไฟต้านไฟป่าเพื่อป้องกัน ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้จุดไฟต้านไฟป่าที่กำลังไหม้เรื่องพระจับพคขีขึ้นต้นไม้สมัยนั้นผู้ภิกษุชับพคขีขึ้นต้นไม้ตายจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งคนทั้งหลายตำหนิ ป, ประนามโพนธนาว่าเหมือนลิง ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พื้นขึ้นต้นไม้รูปใดขึ้นต้องอาบัตทุกกดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปกรุงสาวัตถีในแคว้นโกสลระหว่างทางถูกช้างไล่ภิกษุนั้นวิ่งไปที่โคนไม้ยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมขึ้นพอดีช้างนั้นเดินไปทางอื่น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 รทรงห้ามยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตสมัยนั้นภิกษุสองรูปชื่อเมทะและโกกุฏะเป็นพี่น้องกันเกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้จาอ่อนหวานมีเสียงไพเราะภิกษุทั้งสองรูปนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข่า เวลานี้ภิกษุทั้งหลายต่างชื่อต่างโครต่างเชื้อชาติต่างตระกูลพากันออกโบทถภิกษุเหล่านั้นทำพระพุทธพจน์ให้ผิดเพี้ยนด้วยภาษาของตนขอวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าจะขอยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตาหนิว่าโมคะบุรุษทั้งหลายจะไหนพวกเธอจึงกล่าวอย่างนี้ว่าขอวโรกาส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 เราอนุญาตให้เล่าเรียนผู้ทวจนะด้วยภาษาของตนเรื่องพระจัพคีเรียนโลกายัต์สมัยนั้นผู้ภิกษุจั พ, พ, พคีเรียนโลกายัต์พวกคนทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพลทนาว่าเหมือนครหัดผู้บริโภคการมภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลทนาครั้งนั้นแล ภิกษุเหล่านั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่เห็นสาระในโลกายติพึงถึงความเจริญความงอกงามความไพ่บูรในพระธรรมวินัยนี้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ถึงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่เห็นสาระในธรรมวินัยนี้ ย่อมเรียนโลกายัตรหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เรียนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเรียนโลกายัตริรูปใดเรียนต้องอาบัตททุกกฎสมัยนั้นผู้ภิกษุชาภพาคีสอนโลกายัติคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนครหัดผู้บริโภคแกม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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิสุทั้งหลายพิกสุไม่พึงเรียนเดราชานวิชารูปใดเรียนต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นผู้พิกสุชาวพัคีสอนเดริชานวิชาคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนขอรหัตผู้บริโภคกามพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกสุทั้งหลายพิกสุไม่พึงสอนเดริชานวิชารูปใดสอนต้องอาบัตทุกกฎ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 รูปใดให้ต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นในคราวที่ภิกษุทั้งหลายจามคนทั้งหลายให้พรว่าขอท่านทั้งหลายจงมีอายุยืนภิกษุยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมให้พรตอบคนทั้งหลายตําหนิประนาพรทนาว่าจะไหนพวกพระสมณะเชื่อสายศักยะบุตรเมื่อเขาให้พรว่าจงมีอายุยืนจึงไม่ให้พรตอบเ่า ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายต้องการความเป็นสิริมงคลภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกขรหัสให้พรว่าจงมีอายุยืนเราอนุญาตให้ภิกษุให้พรตอบว่าท่านก็จงมีอายุยืนเรื่องฉันกระเทียมสมัยนั้น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 ภิกษุนั้นฉันกระเทียมแล้วคิดว่าภิกษุทั้งหลายอย่าได้กลิ่นกระเทียมจึงนั่งณที่สมควรด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรสถามว่าภิกษุทั้งหลายการที่ภิกษุฉันแล้วทําให้เขินห่างจากธรรมกถาเช่นนี้ควรฉันหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ควรฉันพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันกระเทียม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 อารามีกลิ่นเหมน็นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตหมอปัสสาวะภิกษุทั้งหลายนั่งปัสสาวะไม่สะดวกพระผู้มีพระภาครับส pues ั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตฐานวางเท้าถ่ายปัสสาวะฐานวางเท้าถ่ายปัสสาวะอยู่ในที่เปิดเผยภิกษุทั้งหลายละอายที่จะถ่ายปัสสาวะพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมรั้วสามชนิดคือรั้วอิดรั้วศิลารั้วไม้หม้อปัสวะไม่มีฝาปิดทรงกลิ่นเหมน็นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิสษุทั้งหลายเราอนุญาตฝาปิดเรื่องลุมถ่ายอุจจาระสมัยนั้นผู้ พ, พิสษุถ่ายอุจจาระลงในที่นั้นๆในอารามอารามสกปรกภิสษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระในที่สมควรอารามมีกลิ่นเหม็นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตลุมถ่ายอุจจาระคอปากหลุมถ่ายอุจจาระพังพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อคันกั้นดินสามชนิดคือคันที่ทาด้วยอิฐคันที่ทาด้วยศิลา คันที่ทำด้วยไม้ลุ้มอุจระพื้นต่ำน้ำจึงท่วมรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญา ต, าญาตให้ถมพื้นให้สูงดินที่ถมพังรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อคันกั้นดินที่ถมได้สามชนิดคือคันที่ทำด้วยอิฐคันที่ทำด้วยศิลาคันที่ทำด้วยไม้ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลาบากรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันไดสามชนิดคือบันไดอิฐบันไดศิลาบันไดไม้เมื่อภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมาพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเราสำหรับยึดภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายอุจระที่ริมหลุมพลัดตกลงไปพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลาดพื้นแล้วเจาะช่องท่ายอุจระตรงกลาง ภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายอุจจาระไม่สะดวกพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตฐานวางเท้าถ่ายอุจจาระภิกษุทั้งหลายถ่ายปัสสาวะออกไปข้างนอกพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรางรองปัสสาวะไม้ชมระไม่มีรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้ชมระแต่กล้าใส่ไม้ชมระไม่มี พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกล้าใส่ไม้ชมระลุ้มอุจจาระไม่ได้ปิดฝาสรงกลิรนเมนพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตฝาปิดเรื่องวัจกูดีภิกษุทั้งหลายถ่ายอุจจาระในที่แจ้งต้องลำบากเพราะความร้อนบ้างเพราะความหนาวบ้างพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวัจกุดีวัจกุดีไม่มีบานประตูพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบานประตูกรอบเช็ดหน้ารูครกที่รับเดือยประตูห่วงข้างบนสายอยู่ไม้หัวลิงกรอนลิมช่องดานช่องสำหรับชักเชือกสำหรับชักพงหญ้าตกเกลือนที่วัจกุดีพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า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 ทำให้มีสีดำให้มีสียางไม้เขียนลวดลายพวงดอกไม้เขียนลวดลายเถาวนจากเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกบริเวณลื่นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้โรยกรวดแร่กรวดแร่ยังไม่เต็มพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้วางศิลาเรียบน้ําขัง พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตท่ระบายน้ําหม้ออุจจาระไม่มีพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตหม้ออุจจาระกระบอกขันตักน้ําล้างอุจจาระไม่มีพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกระบอกขันตักน้ําล้างอุจจาระภิกษุทั้งหลายนั่งชำระไม่สะดวก พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตฐานวางเท้าชำระฐานที่นั่งถ่ายอยู่ในที่เปิดเผยภิกษุทั้งหลายละอายที่จะถ่ายพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ล้อมรั้วสามชนิดคือรั้วอิฐรั้วศิลารั้วไม้หม้ออุจระไม่ได้ปิดผงหญ้าและขี้ฝุ่นตกลงพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า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 ใช้ผู้อื่นทำบ้างทำมาไลยเรียงการเองบ้างใช้ผู้อื่นทาบ้างจัดดอกไม้ช่อเองบ้างใช้ผู้อื่นจัดบ้างทำดอกไม้พุ่มเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้เสร้เองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้พวงเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้แผงประดับอกเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างภิกษุพวกนั้นนำไปเองบ้าง ใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลายต่อกา้านมาลายเรียงกา้านดอกไม้ช่อดอกไม้พุ่มดอกไม้เซิร์ตดอกไม้พวงดอกไม้แผงประดับอกเพื่อกุลสตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลกุมารีเพื่อส p a ัยของตระกูลเพื่อธาตุหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบ้างดื่มน้ำในขันใบเดียวกันบ้างนั่งบนอาสนะเดียวกันบ้าง นอนบนเตียงเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดเดียวกันบ้างนอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารีสพายของตระกูลธาตุหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้างดื่มน้ำเมาบ้างทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูกไายบ้างฟ้อนรำบ้างขับร้องบ้าง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 เต้นรำกับหญิงประโคมบ้างฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้างขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้างประโคมกับหญิงเต้นรำบ้างเต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้างเล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้างแถวละสิบตาบ้างเล่นหมากรีบบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นหมากรวับ้างเล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้ขึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้าง เล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถน้อยนยบ้างเล่นหกเมนบ้างเล่นไม้กลางหันบ้างเล่นตรงทรายด้วยใบไม้บ้างเล่นรถน้อยน้อยบ้างเล่นธนูน้อยๆยบ้างเล่นเขียนทายบ้างเล่นทายใจบ้างเล่นเลียนคนพิการบ้างหักขี่ช้างบ้างหักขี่ม้าบ้างหักขี่รถบ้างหักยิงธนูบ้างหาดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผาดช้างบ้าง วิ่งพลัดม้าบ้างวิ่งพลัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้างวิ่งเปี้ยวบ้างผิวป่าบ้างปรบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกมวยบ้างปูล่าผ้าสังคาติทำกลางเวทีเต้นรำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนรำในที่นี้ดังนี้แล้วให้การคํานับบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้าง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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเครื่องใช้โลหะทุกชนิดเว้นเครื่องประหารอนุญาตเครื่องใช้ไม้ทุกชนิดเว้นเก้าอี้นอนบรรลังแท่นนั่งบาดไม้เขียงเทา้ารองเท้าไม้อนุญาตเครื่องใช้ดินทุกชนิดเว้นเครื่องใช้เช็ดเทา้ากุดีดินเผาคุตรกะวัตถุขันตกะที่ห้าจบ เรื่องที่มีในคุตกะวัตถุขันตกะพระชจ้พัีสงน้ำขัดสีอกายกับต้นไม้สงน้ำขัดสีอกายกับเสาสงน้ำขัดสีอกายกับฝาสงน้ำในที่ไม่สมควรใช้มือทำด้วยไม้หอมถูกายสงน้ำใช้เชือกชุบจุลศิลาสีเหมือนพลอยแดงถูกายสงน้ำทำบริกรรมให้แกกันและกันใช้ไม้บังเวียนจากเป็นฟันมังกรถูกายสงน้า ภิกษุเป็นหิตภิกษุทุกพลภาพพระชราทรงอนุญาตให้ใช้ฝ่ามือถูหลังพระจักรพรรใช้เครื่องประดับชนิดต่างๆคือเครื่องประดับหูสร้อยสังวานสร้อยคอเครื่องประดับเอววลายสร้อยตาบเครื่องประดับข้อมือแหวนสวมนิ้วมือพระจักรพรรไว้ผมยาวใช้แปรงหวีผมใช้หวีหวีผมเสยผมใช้น้ำมันผสมขี้พึ้งเสยผม ใช้น้ำมันผสมน้ำเสยผมทรงเงาหน้าที่คันช่องในภาชนะใส่น้ำภิกษุเป็นแผลที่หน้าทรงอนุ ญ, ญาตให้ตรวจดูรอยแผลที่คันชองหรือที่ภาชนะใส่น้ำได้พระจักรพคีทาหน้าถูหน้าผัดหน้าเจิมหน้าย้อมตัวย้อมหน้าย้อมทั้งหน้าทั้งตัวภิกษุอ า, าพาเป็นโรคตาทรงอนุญาตให้ทาหน้าได้พระจักรพรรดิดูมหรสพ สวดธรรมด้วยเสียงขับยาวทรงอนุญาตให้สวดสรพันยะพระจับพคีใช้ผ้าขนสัตว์พระจับพคีฉันมะม่วงสมาคมหนึ่งถวายชิ้นมะม่วงทรงอนุญาตให้ผลมไม้ที่สมควรแก่สมณนะภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดเพราะไม่เจริญเมตตาภิกษุตัดองมกาชา่าของตนเสถีถวายบาดไม้จันพระจับพคีใช้บาดชนิดต่างๆใช้เชิงรองบาดชนิดต่างๆ เช่นเชิงรองบาททองใช้เชิงรองบาทสวยงามพิกษุบางพวกเก็บบาทไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งทำให้บาทเหม็นอับเอาบาทผึ่งแดดทั้งที่ยังมีน้ำบาทมีกลิ่นเหม็นพิกษุบางพวกวางบาทไว้ในที่ร้อนผิวบาทเสียวางบาทในที่ไม่มีเชิงรองวางบาทไว้ที่ต่างไม้วางบาทไว้ที่ริมต่างไม้บาทกลิ่งตกแตก วางบาดไว้ที่พื้นดินทรงอนุญาตหญ้ารองปลวกกัดหญ้าทรงอนุญาตท่อนผ้ารองทรงอนุญาตชั้นวางทรงอนุญาตหม้อปากกว้างเก็บบาททรงอนุญาตถลกบาด ท, ทรงอนุญาตสายโยกได้ถักทรงห้ามแขวนบาดไว้ที่เดือยข้างฝาทรงห้ามเก็บบาดไว้บนเตียงบนตังบนตักบนกรดภิสษุถือบาดอยู่ในมือไม่พึงผลักประตู ไม่พึงใช้กะโหลกน้ำเต้าแทนบาทไม่พึงใช้หม้อกระเบื้องแทนบาทไม่พึงใช้กะโหลกผีแทนบาทไม่พึงใช้กระโถนแทนบาทภิกษุรูปหนึ่งใช้มือฉีกผ้าเย็บจีวรมีดมีด้ามเกิดขึ้นแกสงทรงห้ามใช้มีดด้ามทองภิกษุทั้งหลายใช้ขนไก่และไม้กลัดเย็บจีวรทรงอนุญาต ก, กล่องเข็มแป้งเข้าหมากผมขมิ้นฝุ่นศิลาขี้ผึ้ง ผ้ามัดคลี่พึ่งเพื่อไม่ให้เข็มมีสนิมขึ้นภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรโดยขึงกับหลักทําให้มุมจีวรเสียทรงอนุญาตให้ผูกไม้เสดึงทรงห้ามขึงไม้เสดึงในที่ไม่เรียบทรงห้ามขึงไม้เสดึงที่พื้นดินขอบไม้เสดึงชำรุดไม้เสดึงไม่พอทรงอนุญาตให้ทําหมายระยะทรงอนุญาตเส้นบรรทัดภิกษุทั้งหลายไม่ล้างเท้าเหยียบไม้เสดึง เท้าเปียกเหยียบไม้สสดึงสวมรองเท้าวเหยียบไม้สสดึงภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรใช้นิ้วมือรับเข็มทรงอนุญาตปลอกสวมนิ้วมือทรงอนุญาตกล่องสำหรับเก็บเครื่องเย็บผ้าทรงอนุญาตถุงเก็บปลอกสวมนิ้วมือทรงอนุญาตสายโยกได้ถักภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรในที่แจ้งรงสสดึงมีพื้นที่ต่ำดินที่ถมพังทลายภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลาบาก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 ภิกษุทั้งหลายเก็บเข็มมีดไว้ในบาททรงอนุญาตถุงเก็บเครื่องยาทรงอนุญาตสายโยกได้ถักภิกษุผูกรองเท้าไว้กับประคตเอวทรงอนุญาตถุงเก็บรองเท้าสายโยกได้ถักน้ำในระหว่างทางเป็นอากาศปิยะทรงอนุญาตผ้ากรองน้ำกระบอกกรองน้ำภิกษุสองรูปเดินทางไปกรุงเวสาลีทรงอนุญาตผ้ากรองน้ำมีขอบ ทรงอนุญาตให้ลาดผ้าลงบนน้ำทรงอนุญาตกุดีการยุงภิกษุทั้งหลายมีอาพาธมากเพราะชั้นอาหารประณีตหมอชีวกจึงทูลขออนุญาตสร้างที่จงกรมและเรือนไฟภิกษุทั้งหลายจงกรมในที่ขรุขระเท้าเจ็บที่จงกรมมีพื้นที่ต่ำทรงอนุญาตก่อคันกั้นดินที่ถมสามชนิดภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบากทรงอนุญาตบันไดและราวสาหรับยึด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 ไฟแผดเผากายทรงอนุญาตที่ใส่น้ำขันตักน้ำเรือนไฟไม่อบเหงื่อเรือนไฟมีพื้นลื่นทรงอนุญาตให้ชำระล้างทรงอนุญาตให้ทำท่อระบายน้ำทรงอนุญาตตั้งรองนั่งในเรือนไฟทรงอนุญาตให้ทำซุ้มทรงอนุญาตให้โรยโขลดแร่ทรงอนุญาต ใ, ใ, ให้วางศิลาเรียบทรงอนุญาต ท, ท่อระบายน้ำภิกษุทั้งหลายเปลือกกายไหว้กัน ภิกษุทั้งหลายวางจีวรไว้บนพื้นดินฝนตกจีวรเปียกทรงอนุญาตเครื่องกําบังสามชนิดทรงอนุญาตบ่อ น, น้ําในเรือนไฟขอบบ่อ น, น้ําสุดบ่อ น, น้ํามีพื้นที่ต่ําภิกษุทั้งหลายใช้ประกฏเอวและเท้าวันผูภาชนะตักน้ําทรงอนุญาตคันโพงรหัสมือรหัสจักภาชนะตักน้ําทั้งหลายแตกทรงอนุญาตถังตักน้ําโลหะถังไม้และถังหนัง ทรงอนุญาตศาลาบ่อน้ําผงยาดตกกลืนในศาลาบ่อน้ําทรงอนุญาตฝาปิดบ่อน้ําทรงอนุญาตรางน้ําทรงอนุญาตรางระบายน้ําทรงอนุญาตกําแพงกั้นบ่อน้ําลื่นทรงอนุญาตท่อระบายน้ําภิกษุทั้งหลายมีเนื้อตัวเปียกชุ่มเย็นทรงอนุญาตสระโบกกรณีน้ําในสระโบกกรณีเก่าทรงอนุญาตรื้ไฟมีปั้นลม พระเจ้าพักคีอยู่ปราศจากผ้าปูนั่งสี่เดือนพระเจ้าพักคีนอนบนที่นอนโรยด้วยดอกไม้ทรงอนุญาตให้รับประเคนดอกไม้ของหอมทรงอนุญาตสันถัดขนเจี๋ไม่ต้องอธิษฐานพระเจ้าพักคีฉันอาหารโตกทรงอนุญาตเชิงบาทพระเั้าพักคีฉันอาหารในภาชนะเดียวกันนอนเตียงเดียวกันเจ้าวัฒนลิชวีใส่ความพระทัพพระ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 ภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ขาดร่มแล้วไม่มีความผาสุกพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้ใช้ร่มได้กางร่มในเขตวัดได้รวมเป็นสามเรื่องทรงอนุญาตสิกาสมมติภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยเคี้ยวเอื้องสมาคมหนึ่งจัดสังฆพัดทำมเมล็ดข้าวตกเกลื่อนภิกษุรูปหนึ่งไว้เล็บยาวภิกษุทั้งหลายใช้เล็บตัดเล็บนิ้วมือเจ็บตัดเล็บจนเลือดออก ทรงอนุญาตให้ตัดเล็บเสมอเนื้อพระจับพคีขัดเล็บทั้ง20สิบเล็บภิกษุทั้งหลายไว้ผมยาวทรงอนุญาตมีโกนหินลับมีดปลอกมีดผ้าพันมีดเครื่องใช้โกนพระชจ้พคีแต่งหนวดปล่อยหนวดไว้ยาวไว้เครายาวแต่งหนวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่งขนหน้าอกแต่งขนหน้าท้องแต่งหนวดเป็นเขี้ยวงงโกนขนในที่แคบ ภิกษุอาพาธอนุญาตให้โกนขนในที่แคบได้ทรงอนุญาตใช้กรรไกรตัดผมในกรณีที่ศีรษะเป็นแผลทรงห้ามไว้ขนจมูกยาวทรงห้ามใช้ก้อนกรวดถอนขนจมูกทรงห้ามใช้กันและกันถอนผมงอกทรงอนุญาตไม้แคคขี้หูในกรณีที่ขี้หูอุดช่องหูพวกภิกษุชาวคีสะสมโลหะทรงอนุญาตยาตาทรงห้ามนั่งรัดเขา่า ทรงอนุญาตผ้ารักเข่าทรงอนุญาตได้พันและไม้สลักทอทรงอนุญาตประคดเอวทรงห้ามใช้ประคดเอวชนิดต่างๆคือประคดถักเชือกถักเป็นหัวงูน้ํากลมคล้ายเกลียวเชือกคล้ายสังวานทรงอนุญาตประคดแผ่นผ้าประคดไ ส, ส้สุกรชายประคดเอวลุยทรงอนุญาตให้เย็บทบถักเป็นห่วงปลายห่วงประคดลุย ทรงอนุญาตลูกทวินทรงอนุญาตลูกดุมภิกสุชาพาคีใช้ลูกดุมชนิดต่างๆภิกษุทั้งหลายติดแผ่นผ้ารองลูกดุมและรังดุมที่จายจีวรทรงอนุญาตให้ติดแผ่นผ้าลึกเข้าไปผู้ภิกษุชาพาคีนุ่งผ้าอย่างครหัสเคิอนุ่งปล่อยชายเหมือนงวงช้างเหมือนหางปลาปล่อยชายเป็นสีแฉก ป, ปล่อยชายคล้ายก้านตาลนุน่งยกกลีบตั้งร้อย ผู้พิสษุชาวพาัีห่มผ้าอย่างเครหืหัดนุ่งผ้าจงกระเบนพวกพิสษุนชาวพาัีหาบของทรงอนุญาตให้ค้อนหามเป็นต้นได้พวกพิสูจชาวพาัีใช้ไม้ชัมระฟันตีสามเณรไม้ชัมระฟันติดลำคอพวกพิสูจชาวพาัีจุดไฟเผากองหญ้าทรงอนุญาตให้จุดไฟต้านไฟป่าที่กำลังไหม้พวกพิสษุนชาวพาัีขึ้นต้นไม้พิกษุรูปหนึ่งถูกช้างไล่ พิษุเมตะและโกกุตะทูลขอยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตผู้พิษุชาวพัคีเรียนสอนโลกายัตผู้พิษุชาวพัคีเรียนเดรชนวิชาเมื่อมีการจามไม่ควรกล่าวคำให้พรทรงอนุญาตให้พรตอบเพื่อความเป็นสิริมงคลทรงห้ามฉันกระเทียมเมื่อเข้าสมาคมพระสารีบรอาพาธเป็นลมเสียท้องทรงอนุญาตให้ฉันกระเทียมได้ อารามสกปรกมีกลิ่มเมนเหม็นนั่งปัสสาวะไม่สะดวกทรงอนุญาตฐานวางเท้าถ่ายปัสสาวะที่ปัสสาวะเปิดเผยภิกษุทั้งหลายละอายทรงอนุญาตรั้วไม้หม้อปัสสาวะไม่มีฝาปิดท่งกลิ่มเมนเหม็นภิกษุทั้งหลายถ่ายอุจจาระลงที่นั้นๆอารามมีกลิ่มเมนเหม็นคอปากหลุมถ่ายอุจจาระพังทรงอนุญาตให้ถมพื้นให้สูงทรงอนุญาตให้ก่อคันกั้น ทรงอนุญาตบันไดาเยาวย์ยศภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายอุจระที่ริมหลุดพลัดตกลงไปนั่งถ่ายไม่สะดวกทรงอนุญาตฐานวางเท้าถ่ายถ่ายปัสสาวะออกไปข้างนอกทรงอนุญาตรางรองปัสสาวะไม้ชมระตะกร้าที่ใส่ไม้หลุมอุจระไม่ได้ปิดฝาทรงอนุญาตฝาปิดทรงอนุญาตว่าจกุดีบานประตูกรอบเช็ดหน้ารูครกที่รับเดือยประตู หวงข้างบนสายอยู่ไม้หัวลิงกรอนลิ่มช่องดานช่องสําหรับชักเชือกสําหรับชักพงหญ้าตกเกลื่อนทรงอนุญาตให้ฉาบด้วยดินทั้งภายในภายนอกทําให้มีสีขาวสีดําสีเหลืองสียางไม้เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวัรจากเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกราวจีวรสายระเดียง ภิกษุรูปหนึ่งทุกพลภาพพระชราถ่ายอุจจระลุกขึ้นแล้วล้มลงทรงอนุญาตให้ล้อมรัว้วทรงอนุญาตซุ้มประตูวัจจกูดีทรงอนุญาตให้โรยกรวดแร่ทรงอนุญาตให้วางศิลาเรียบมีน้ำขังก็ทรงอนุญาตท่อระบายน้ำทรงอนุญาตหม้ออุจจระขันตักน้ำภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายไม่สะดวกฐานที่นั่งถ่ายอุจจระเปิดเผยภิกษุทั้งหลายละอาย ทรงอนุญาตฝาปิดผู้พิสุจชาวพขคีพระพฤติไม่เหมาะสมเรื่องทรงอนุญาตเครื่องใช้โลหะเว้นเครื่องประหารทรงอนุญาตเครื่องใช้ไม้เว้นเก้าอี้นอนบันลังบาดและเขียงเท้าทรงอนุญาตเครื่องใช้ดินเว้นเครื่องใช้เช็ดเท้าและคูดีดินเผานักวิจัยพืงทราบนิเทศแห่งวัตถุที่เหมือนกันข้างต้นว่าย่อไวในอุทาน เรื่องในขุตกะวัตถุขันธกะที่แสดงไวหนึ่งร้110ิบเรื่องพระวินัยทรผู้ศึกษาดีแล้วหวังเกลือกูลมีศีลเป็นที่รักมีปัญญาดุดประทีปเป็นประหูสูรผู้ควรเคารพกราบไหว้จะเป็นผู้สืบต่อพระสัทธรรมและอนุเคราะห์เหล่าสหพรมจารีผู้มีศีลดีงามขุ ธ, ธกะวัตถุขันธกะจบ